จงพาการตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเธอฟังประธรรมบทสืบต่อไปมีคติธรรมเยอะแยะมากมายเนี่ยตั้งใจฟังด้วยดียำนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตจะเป็นการดำเนินชีวิต ท, ที่ ถูกต้องดีงามและนำมาสร้างความสุขว่าด้วยตนอตตะวะควันนาหัวข้อที่หนึ่งประคับประคองตนพระองค์ทรงตรัสว่าอั ต, ตานันเจปยังชัญญารักเขยะนังสุรักิตัง ติ น, นะมัญญะตรังยามังปฏิชักเคยยะปันดิโตแปลว่าหากบุคคลรู้ว่าตนเป็นที่รักใสพึงรักษาตนนั้นให้ดีบัณฑิตพึงประครับประคองตนให้ดีวงเล็บอย่างน้อยที่สุดในวัยใดวัยหนึ่งบรรดาสามวัยอธิบาย ความจริงคนทุกคนย่อมรักตนและดูเหมือนว่าความรักตนจะเป็นความรักอันสูงสุดของมนุษย์พระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันเรื่องนี้เหมือนกันดังพระพุทธภาษิตว่านัตถิอัตตสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยความรักตนไม่มีแต่บางคนปฏิบัติต่อตนเสมือนไม่รักตนคือทำแต่สิ่งอันจะก่อให้เกิดผลเป็นความทุกข์แก่ตน ประกอบกรรมชั่วต่างๆมีกายทุจริตความชั่วทางกายเป็นต้นคนอย่างนั้นแม้จะพูดว่ารักตนรักตนก็หาชื่อว่ารักตนไม่เพราะก่อกรรมอันจะนำทุกมาสู่ตนขวนขวายในสิ่งอันเป็นภัยแก่ตนเผาตนด้วยไฟคือความชั่วนาน า, นาประการส่วนผู้ประกอบกรรมดีชื่อว่าผู้รักตน เพราะทำสิ่งอันจะอำนวยความสุขความสงบกแก่ตนนี่คือความรักตนในทางที่ถูกที่ควรจริงอยู่โดยสามัญสำนึกคนทุกคนย่อมรักตนแต่บางคนรักตนในทางที่ผิดหาความสุขใส่ตนในทางที่ผิดเช่น 1. แสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการเบียดเบียนผู้อื่น ส, สแสวงหาความสุขจากความเกียดคร้าน สามสำคัญตนผิดจากความเป็นจริง 1. การสแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการเบียดเบียนผู้อื่นนั้นเช่นการยิงนกเล่นตกปลาเล่นรักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นมาใช้บำรุงความสุขของตนเบียดเบียนครอบครัวของเขาโดยการประพฤติผิดประเวณีพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่นแบบเอาดีใส่ตนเอาชั่วใส่เขา คนที่หาความสุขอย่างนี้ไม่เคยได้รับความสุขจริงสักรายเดียวในที่สุดความทุกข์ที่เขาหยิบยื่นให้คนอื่นนั่นแหละจะย้อนกลับมาหาตัวเขาเองหรือครอบครัวของเขาท่านจึงว่าทุกข์าโตทุกขถานังให้ทุกข์แก่ท่านทุกขนั้นถึงตัวในทางกลับกันผู้ใดให้สุขแก่ผู้อื่นสุขนั้นย่อมกลับมาสนองให้นั่นเองจะเร็วหรือช้าเท่านั้น สองแสวงหาความสุขจากความเกียดคร้านความเกียดคร้านเป็นภัยใหญ่ในชีวิตของมนุษย์มันอาจมาในรูปแห่งความสุขในเบื้องต้นที่ท่านเรียกว่ามาร้ายมาในรูปแห่งเทพธิดาพอรู้ว่าผู้นั้นตายใจแล้วก็ห้ำหัน่นย่ำยีให้ถึงทุกนาน า, นานประการอันหนึ่งมีความจริงอยู่ว่าคนที่ทำงานน้อยจะต้องมีงานหนัก ขวางหน้าอยู่เสมอตรงกันข้ามคนที่ทํางานหนักอยู่เสมอย่อมจะมีงานเบารออยู่ปลายมือนี่เข้าลักษณะเหนื่อยไปก่อนจะสบายเมื่อปลายมือถึงจะไม่ต้องการความสบายก็ต้องสบายเพราะมันเป็นกฎธรรมชาติอย่างนั้นความสุขจากความเกียจคร้านไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนมันเป็นมารเป็นสิ่งหลอกล่อให้คนหลงเดินทางผิดทางไปสู่เกียรติศักดิ์ จะประดับด้วยดอกไม้หอมหว น, หวนยวนจิตใจไปมีคือว่าคนจะได้ดีมีสุขมีเกียรติยศชื่อเสียงนั้นย่อมได้มาด้วยการฝ่าฟันความยากลําบากไม่ใช่โดยทางแห่งความเกียรติคร้านท่านกล่าวไว้อีกว่าไฟร้อนจะนอนเย็นไฟเย็นจะเข็นใจอธิบายว่าคนที่ขยันวงเล็บคือไฟร้อน หนักเอาเบาสู้มีความเพียรอยู่เสมอนั้นย่อมจะพบกับความสุขความสบายในวันหน้าส่วนคนเกียรคร้านคือฝ่ายเย็นไม่ศึกษาเล่าเรียนไม่ประกอบการงานในวัยที่ควรศึกษาและวัยที่ควรประกอบการงานไม่ได้ทรัพในการที่ควรได้ย่อมจะพบกับความลำบากยากเข็นในภายหน้าทางเตียนเวียนลงนรก ทางรกวกขึ้นสวรรค์ความว่าการเดินทางที่สบายปล่อยตัวปล่อยใจตามสบายไม่มีการควบคุมตนเองให้อยู่ในทางที่ถูกที่ชอบย่อมชักนําบุคคลไปสู่ความชั่วความยากลําบากคือนรกส่วนการเดินทางลําบากเต็มไปด้วยความควบคุมตนเองให้เว้นสิ่งที่ควรเว้นให้ทําสิ่งที่ควรทําเป็นเรื่องหนัก อกหนักใจในเบื้องต้นแต่เมื่อทำได้แล้วความดีนั้นก็โปรยปลายความสุขให้เป็นผลอันชื่นใจดังนั้นผู้มีความคิดจึงไม่ควรแสวงหาความสุขจากความเกียดคร้านความจริงความขยันขันแข็งเป็นสิ่งให้ความสุขทางใจได้มากกว่าความเกียดคร้านเสียอีกและเป็นความสุขที่ไม่มีโทษสาความสำคัญตนผิดจากความเป็นจริง คนที่เป็นอย่างนี้คือสำคัญตนผิดจากความเป็นจริงทำให้วางตัวผิดเข้ากับใครไม่ได้เป็นเหตุให้คนทั้งหลายเกลียดชังบันทอนความก้าวหน้าของตนด้วยตนเองบางคนเป็นครูบาอาจารย์เข้าหน่อยก็มองเห็นตนสำคัญตนเกินไปเป็นเหตุยกตนข่มผู้อื่นมีมานะกล้าว่าเราดีกว่าเขากิเลสอย่างนี้ไม่ให้ผลดีแก่ใคร ใครมีก็ให้โทษแก่คนนั้นอย่างมากการสแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการเบียดเบียนผู้อื่นหนึ่งการหาความสุขจากความเกลียดคล้านหนึ่งความสําคัญตนผิดจากความเป็นจริงหนึ่งเป็นการแสดงความรักตนที่ผิดทางชื่อว่ารักตนไม่ถูกทางส่วนผู้มีปัญญาสแสวงความรักตนโดยการประกอบกรรมดีชื่อว่ารักตนถูกทางท่านว่า ผู้รักษาตนควรประคับประคองตนให้ดีในวัยทั้งสาคือปฐมวัยมัชชิมวัยและปัจฉิมวัยถ้าไม่ได้ทั้งสามวัยก็ควรให้ได้สักวัยใดวัยหนึ่งเป็นอย่างน้อยท่านยกตัวอย่างว่าคฤือหัดที่ไม่สามารถทําบุญกุศลไว้ในวัยต้นเพราะมัวหมกมุ่นอยู่ในการเล่นการเรียนก็ควรทําในมัชชิมวัยคือวัยกลางคน ถ้าในมัดสิมวัยก็มัววุ่นอยู่กับเรื่องบุตรภรรยาไม่สามารถบำเพ็ญกุศลได้ก็ควรรีบขวนขวายบำเพ็ญคุณงามความดีให้หนักในปฏิสิมวัยถ้าพลาดทั้งสามวัยก็จะเอาตรวจไม่รอดส่วนบรรพชิตนั้นท่านว่าหากในปฐมวัยมัวประมาทอยู่ด้วยการศึกษาเล่าเรียนในมัดสิมวัยก็เหมือนกันควรรีบขวนขวายบำเพ็ญสมณธรรมให้หนักในปฏิสิมวัย ถ้าไม่ทำอย่างนั้นชื่อว่าไม่รักษาตนด้วยดีเป็นผู้ประมาทความจริงคนเราทุกคนได้สิ่งหนึ่งเท่ากันมาคือเวลาเรามีเวลาคนละ24ชั่วโมงต่อวันเท่ากันทำไมบางคนจึงทำงานได้มากบางคนทำงานได้น้อยคำตอบประการแรกคือความขยันและไม่ขยันเวลาเป็นประโยชน์ แก่คนทุกคนแต่บางคนเอามันไปใช้ในทางไม่มีประโยชน์มันก็ไม่ให้ประโยชน์ซ้ําจะให้โทษเสียอีกบางคนใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มันก็อํานวยประโยชน์มากแก่ผู้นั้นเวลาและวารีไม่คอยไขแต่คนฉลาดย่อมจับสวยมันไว้ด้วยการบําเพ็ญประโยชน์คือให้เวลาล่วงไปด้วยเอาประโยชน์ติดไปด้วย คนเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายนี่เป็นธรรมดาที่ใครๆก็รู้บางคนตายเสียแต่วัยต้นบางคนตายในมัชริมาัยบางคนตายในปัจฉิมวัยคนทำประโยชน์กับคนไม่ทำประโยชน์ก็ต้องตายเหมือนกันและต้องผ่านวัยต่างๆเหมือนกันข้อต่างกันก็คือคนทำประโยชน์เมื่อตัวตายแล้วมีประโยชน์เหลืออยู่ ส่วนคนไม่ทำประโยชน์ไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นอนุสรณ์แห่งชีวิตเกิดมาเสียเปล่าชีวิตของเขาเป็นโมฆะชีวิตบางคนฉลาดรู้จักคิดตั้งแต่อายุอย่างน้อยยังอยู่ในปฐมวัยอย่างนี้เรียกว่าผู้ใหญ่ในร่างเด็กส่วนบางคนแม่อายุมากแล้วล่วงเข้าปัตชิมวัยแล้วก็ยังไม่รู้จักคิดอะไรให้ถูกต้องอย่างนี้เรียกว่าเด็กในร่างผู้ใหญ่ เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่เพสกะลาวันทรงปรารพโธทิราชกุมารมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้เรื่องโธทิราชกุมารโพธิราชกุมารให้ในายช่างสร้างปร า, าสาทชื่อโกกนุตวงเล็บแปลว่าดอกบัวแดงสวยงามมากเหมือนลอยอยู่ในอากาศนี่เรื่องนี้เคยเล่าให้ฟังอยู่เลยเล่ากันว่า ปราสาททัชมหานที่เมืองแอคคราเวลานี้ก็สวยมากเหลือเกินทำด้วยหินสีขาวเมื่อมองดูในคืนจันเพนจะเห็นเหมือนล่องลอยอยู่ในอากาศเสียดายที่ตนไปชมปราสาทนี้ไปกลางวันจึงไม่ได้เห็นความงามเช่นนั้นเห็นแต่ความงามธรรมดาไม่เหมือนปราสาทใดในพื้นพิภพไม่มีปราสาทใดเหมือนโพธิราชกุมารเห็นปราสาทแล้วทรงพอพระทัยอย่างสูง ต้องการให้ปร า, าสาทนี้มีหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่ให้มีคู่แข่งจึงตัดถามนายช่างว่าปร า, าสาทอย่างนี้นายช่างเคยสร้างที่อื่นบ้างหรือไม่หรือว่าเป็นงานชิ้นแรกนายช่างตอบว่าเป็นงานชิ้นแรกไม่เคยทำที่ใดเหมือนอย่างนี้เลยพระราชกุมาทรงดำริว่าถ้าปล่อยนายช่างไวเขาจะสร้างปร า, าสาทอย่างนี้ให้คนอื่นอีก ปร า, าสาทนี้ก็จะไม่อัศจรรย์เราควรจะฆ่านายช่างคนนี้เสียทรงดำริดังนี้แล้วตรัสบอกแก่พระสหายคนหนึ่งมานบน้อยบุตรชายของสัญชีวกนึกเสียดายนายช่างฝีมือดีจึงแอบบอกให้เขาทราบนายช่างจึงเตรียมหนีวันหนึ่งโพธิราชกุมารตรัสถามนายช่างงานสร้างปร า, าสาทเสร็จแล้วหรือไม่ ยังไม่เสร็จพยาคะยังต้องทำอีกมากยังมีอะไรอีกล่ะจะทูลให้ทรงทราบภายหลังพยาคาเบื้องแรกขอให้พระองค์ให้ขนขนไม้มาให้ก่อนไม้ชนิดไหนไม้แห้งพยาคาเขาทูลและต้องเป็นไม้ไม่มีแก่นเมื่อได้ไม้ตามประสงค์แล้วนายช่างได้ทูลพระราชกมุมารว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเขาต้องทางานที่ประณีตมากหากใครมาเยี่ยมคุยก็จะทาให ฟุงงซ่านงานจะเสียไปแม้พระราชกุมารเองก็ไม่ควรเสด็จมาส่วนอาหารนั้นขอให้ภรรยาของเขานํามาให้พระราชกุมารทรงอนุโลมตามนั้นแต่ให้คนล้อมปราศาสตรไว้นายช่างสั่งภรรยาให้ขายของที่บ้านทั้งหมดรวบรวมเงินทองไว้เมื่อเขาทํานกบินเสร็จแล้วก็ให้ภรรยานําบุตรทุกคนมาแล้วหนีไปทางหน้าต่างปราสาทตร ไปลงที่หิมวันตะประเทศสร้างนาครขึ้นใหม่นครหนึ่งได้เป็นพระราชาแห่งนคร น, นั้นมีพระนามว่ากัถวาหนะแปลว่ามีไม้เป็นพาหนะหรือผู้มีพาหนะอันธรรมด้วยไม้ผู้มีปัญญาและมีธรรมย่อมทําตนให้พ้นภัยโดยทางที่ชอบฝ่ายโพธิราช ก, กุมารปรารบการฉลองปราศาสจึงให้อราตนาพระาศาสดาและภิกษุสาวกมาสวยพัตตาหาน ทรงให้ลาดผ้าขาวผืนน้อยตั้งแต่ธรณีประตูรแรกแห่งปราศาทตรเนื่องจากพระองค์ไม่มีพระราชโอรสและพระราชธิดาจึงทรงอธิษฐานว่าหากว่าข้าพระองค์จะมีพระราชโอรสหรือพระราชธิดาขอให้พระาศาสดาทรงเหยียบผ้าขาวที่ทรงปูราดนั้นเมื่อถึงเวลาพระาศาสดาสเสด็จถึงแต่ไม่ทรงเหยียบผ้าขาวนั้นพระราชกุมารทูลถึง3ามครั้งก็ไม่ทรงเหยียบ ทรงมองดูพระอานนนพระอานน์จึงทูลพระราชกุมารว่าขอให้ทรงนําผ้าขาวออกเสียก่อนพระศาสดาไม่ทรงเหยียบผ้านั้นพระราชกุมารทรงเก็บผ้านั้นพระศาสดาจึงเสด็จเข้าไปในปราศาสตร์เมื่อพระศาสดาเสวยเสร็จแล้วพระราชกุมารทูลว่าหม่อมชั้นเป็นอุปถากของพระองค์ถึงพระองค์ว่าเป็นที่พึ่งถึงสามครั้งคือเมื่ออยู่ในพระคันพระมารดาครั้งหนึ่งเมื่ออยู่ในวัยหนุ่มครั้งหนึ่ง และอีกครั้งหนึ่งคือเมื่อหมอมฉันรู้ดีรู้ชั่วแล้วเมื่อเป็นดังนี้เหตุไรพระองค์จึงไม่ทรงเหยียบผ้าขาวที่หมอมฉันปูลาดให้ราชกก ม, มารพระองค์ทรงดำริอย่างไรจึงทรงปูลาดผ้าขาวไว้ข้าพระองค์คิดว่าถ้าข้าพระองค์พึงได้บุรหรือธิดาไซพระาศาสดาจากทรงเหยียบผ้าขาวของเราดังนี้แล้วให้ลาดเป็นผ้าไว้เพราะเหตุนั้นแหละมหาบพิษอาตามภาพจึงไม่เหยียบผ้าขาว พระศาสดาตรัสตอบแปลว่าหมอมชั้นจะไม่ได้บุตรหรือธิดาอย่างนั้นหรือถูกแล้วมหาบอพิษเพราะเหตุไรพระเจ้าข้าเพราะพระองค์และพระชายาประมาทในการก่อนในการไรพระเจ้าข้าพระศาสดา จ, จึงทรงนำเรื่องในอดีตของพระราชกุ ม, มารมาตรัสเล่าว่าในอดี ต, ตการมนุษย์หลายร้อยคนเล่นเรือใบในมหาสมุทรเรืออับปางลงกลางมหาสมุทร สองสามีภรรยาควา้าแผ่นกระดานได้แผ่นหนึ่งอาศัยแผ่นกระดานนั้นลอยไปติดอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งมนุษย์อื่นๆถึงความตายหมดสิ้นเขาทั้งสองอาศัยอยู่ในเกาะนั้นถูกความหิวครอบงำ ม, มองไม่เห็นสิ่งอื่นที่พอจะประทังชีวิตได้เห็นแต่ไข่นกจึงเผาไข่นกวงเล็บคือหมกให้สุก เมื่อไข่นกหมดก็จับลูกนกปิ้งกินเมื่อลูกนกหมดก็จับนกตัวใหญ่กินเขาอาศัยอยู่บนเกาะนั้นทั้งสามวัยจวบจนสราเพราะกรรมนี้แหละพระราชกุมารจึงไม่อาจมีพระราชโอรสหรือธิดาได้พระศาสดาตัดต่อไปว่ามหาบ่อพิษหากในวัยทั้งสามวัยวัยใดยวัยหนึ่งในครั้งกระนั้น พระองค์จักไม่ประมาทเจริญกุศลธรรมไซพระองค์ย่อมจะได้บุตรหรือธิดาในอัตภาพนี้ราชกุมารบุคคลเมื่อรู้ว่าตนเป็นที่รักก็ควรรักษาตนประคับประคองตนด้วยดีในวัยทั้งสามหรือในวัยใดยวัยหนึ่งดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าหากบุคคลรู้ว่าตนเป็นที่รักไซพึงรักษาตนนั้นให้ดีบัณฑิตพึงป ร, ประคับประคองตนให้ดี อย่างน้อยที่สุดในวัยใดวัยหนึ่งบรรดาสามวัยมีดังในยะพรนามาแล้วแต่ต้นนั่นแหลงสองก่อนสอนผู้อื่นพระพุทธภาสิทธาณาเมวะปธรมังปฏิรูปเปนิเวสเยอัถัญญะมณสาเสยยะนะกิริตเสยยะปันดิโตบันดิต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 คำสอนแม้จะถูกต้องแต่ถ้าตัวคนสอนทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตนสอนคนทั้งหลายก็จะไม่ซึ้งในคำสอนเช่นนั้นมันเหมือนเอามะลิไปโรยไว้หน้าศพใครเล่าจะยินดีดมมะลินั้นคำสอนของผู้เช่นนั้นมีแต่จะถูกหัวเราะเยาะบุคคลที่เสียสละได้สงบได้ขยันหมั่นเพียรได้แม้จะไม่เคยเอ่ยปากสอนใครให้ทำเช่นนั้นคนทั้งหลายก็มองดูด้วยความนิยมชมชอบ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 แต่จะไม่มีใครเลื่อมใสจริงจังพ่อแม่ครูอาจารย์ก็เหมือนกันเพื่อไม่ให้เศร้าหมองด้วยการถูกหัวเราะยเยาะและถูกตำหนิติเตียนบัณฑิตจึงควร ต, ตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรเสียก่อนแล้วสั่งสอนคนอื่นให้ตั้งอยู่ในคุณอันนั้นภายหลังไม่เป็นภัยแก่ตนและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อผู้อื่นการสอนผู้อื่นในคุณที่ตนมีแม้สอนซ้ำซำ ซ, ำซากซาก แต่คนทั้งหลายฟังแล้วก็ทราบซึ้งดีเพราะรู้สึกว่ามันออกมาจากใจของผู้สอนส่วนคำสอนอันวิจิตพิศดานแพรวราด้วยเหตุผลแต่ผู้สอนไม่ได้มีคุณเช่นนั้นผู้ฟังย่อมไม่เชื่อถือและไม่มีกำลังใจในการปฏิบัติตามลองคิดดูเถิดถ้าคนเป็นโรคเรื้อนคนหนึ่งยืนพณนาถึงคุณภาพของยาและวิธีรักษาโรคเรื้อนให้หายขาดได้ท่านผู้ฟังจะรู้สึกอย่างไร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 ถึงกระนั้นก็ยังดีกว่าคนบางคนที่เพียบแปรไปด้วยราคะโทสะโมห oh ะคือโลภโกรธหลงแล้วยังชักชวนผู้อื่นเพื่อเป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนสุ น, นักหางด้วนแล้วชวนเพื่อนๆ น, นให้ไปตัดหางเสียด้วยอย่างนี้มีโทษสองซ้ํามซ้อนพ่อบางคนเป็นโจรแต่พันานาโทษแห่งความเป็นโจรให้ลูกฟังก็ยังดีกว่าชักชวนลูกให้เป็นโจรเสียด้วย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 หากลูกมีวัยสมควรพ่อแม่ก็คงไม่ห้ามอีกตัวอย่างหนึ่งคือการแต่งงานพ่อแม่แต่งงานได้จนมีลูกสาสี่คนแต่พอลูกจะแต่งงานบ้างพ่อแม่ก็ห้ามไว้พอลูกเพิ่งอายุได้1 2บ3ปียังไม่สมควรก่อนถ้าลูกอยู่ในวัยอันสมควรจบการศึกษาแล้วพ่อแม่ย่อมไม่ห้ามแน่นอนธรรมดาพ่อแม่ย่อมปรารถนาให้ลูกเป็นหลักเป็นฐานเป็นฝัง่งเป็นฝา ไม่มีพ่อแม่คนใดริษยาลูกหรือไม่อยากให้ลูกได้ดีมีสุขโดยทั่วไปกฎของโรงเรียนห้ามนักเรียนสูบบุหรี่แต่ครูสูบได้นักเรียนอาจสงสัยว่าเมื่อห้ามนักเรียนสูบทำไมครูจึงสูบได้อย่างนี้ต้องเข้าใจว่าเพราะสถานนะจำกัดไว้เมื่อใดนักเรียนอยู่ในสถานนะเดียวกับครูนักเรียนย่อมทำได้เหมือนกันบางอย่างจำกัดไว้เฉพาะผู้หญิงคือชายทำได้แต่หญิงทำไม่ได้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 บางอย่างฆราวาสทำได้แต่พระทำไม่ได้ถ้าพระทำได้ทุกอย่างที่ฆราวาททำพระก็ไม่เป็นพระถ้าจะขืนเป็นให้ได้ก็เป็นเพียงสักด์แต่ว่าพระแต่เปลือกคือมีเครื่องหมายของพระเช่นสบงจีวรโกนหัวเป็นต้นหาเป็นพระโดยความหมายแท้จริงไม่พระที่สอนให้คนอื่นเสียสละละความโลภแล้วสะสมรวบรวมปัจจัยนั้นเสเองจนร่ารวยนั้นมีอยู่ไม่น้อย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 จึงบูชาท่านด้วยบริขารมีสมบงจีวรเป็นต้นและสมทานทุ ด, ดงคือคุณเครื่องกาจัดกิเลสพระอุปนันทร์รับเอาของเหล่านั้นที่ภิกษุทั้งหลายสละแล้วไว้แต่ผู้เดียวระยะหนึ่งจวนเข้าพรรษาพระอุปนันท์เที่ยวในชนบทภิกษุสามเณรในอาวาสหนึ่งมีความรักในความเป็นธรรมกตึกของท่านจึงนิมนต์ให้ท่านอยู่จาพรรษาในอาวาสนั้นท่านถามว่าในวัดนี้ พระได้ผ้าจำนำพรรษากี่ผืนคำว่าผ้าจำนำพรรษาตรงกับบาลีว่าวัดสาวาสิกะสาดกคือผ้าที่ถวายแก่ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบสามเดือนแล้วออกพรรษาแล้วจึงได้ส่วนผ้าอาบน้ำฝนวสิกะสาดกนั้นทายกถวายก่อนเข้าพรรษาตอบว่าได้ผ้าสาดกองละผืนครับพระตอบพระอุปนัน วางรองเท้าไว้ในวัดนั้นพอเป็นเครื่องหมายว่าท่านอยู่จำพรรษาในอาวาสนั้นแล้วไปยังวัดที่สองทราบว่าในอาวาสที่สองนั้นภิกษุทั้งหลายได้ผ้าจานาพรรษาสองผืนจึงวางไม้เท้าไวา้แล้วไปยังอาวาสที่สามทราบว่าภิกษุทั้งหลายได้ผ้าจำนำพรรษา3ผืนจึงวางลักกจันน้ำไว้ลักกระจันน้ำนี่คือมอ น, น้า มีหูสาหรับถือคล้ายการนะ้ำเป็นบริขารที่จะเป็นอย่างหนึ่งของนักบวชในอินเดียแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นนักบวชฮินดูใช้อยู่เมื่อไปที่ใดจะต้องมีสิ่งนี้ติดมือไปด้วยปัจจุบันเห็นทำด้วยทองเหลืองเป็นส่วนมากแล้วไปยังอาวาสที่สี่เมื่อทราบว่านในอาวาสนั้นภิกษุทั้งหลายได้ผ้าจำนำพันษาสีผืนก็ตกลงใจอยู่จาพันษาในอาวาสนั้น ในพรรษาตั้งแต่วันเข้าพรรษาทีเดียวพระอุปนัน์กล่าวธรรมกถาอันปฏิสังยุตด้วยความมักน้อยสันโดษเป็นต้นให้ภิกษุสามนเณรและอุบาสกอุบาสิกาเป็นต้นเลื่อมใสแล้วถวายปัจจัยมีจีวรเป็นต้นแก่ตนเป็นอันมากเมื่อวันออกพรรษามาถึงพระอุปนัน์ ส่งข่าวไปยังวัดต่างๆที่ท่านวางบริขารไว้ว่าขอให้ส่งผ้าจำนำพรรษาไปให้ท่านท่านมีสิทธิ์รับผ้าจำนำพรรษานั้นเพราะท่านวางบริขารไว้เจ้าอาวาสในวัดต่างๆทั้งสามวัดได้ส่งผ้าจำนำพรรษามาถวายพระอุปนันต์รวมกับที่ท่านได้ในวัดที่อยู่จำพรรษาอีกจึงเป็นบริขารจํานวนมากพระอุปนันต์รวบรวมบริขารต่างๆเป็นอันมากนั้นบรรทุกใสายยานน้อยแล้วขับไป ไปเจอภิกษุหนุ่มสององค์ซึ่งได้ผ้าสาดกมาสองผืนผ้ากัมพลผืนหนึ่งไม่สามารถแบ่งกันได้นั่งเถียงกันอยู่เธอทั้งสองเห็นพระอุป น, นันจึงขอร้องให้ช่วยตัดสินพวกคุณแบ่งกันเองเถิดผมไม่เกี่ยวพระอุปนันวางท่าว่าไม่สนใจพวกผมนั่งแบ่งกันอยู่นานแล้วครับไม่สาเร็จท่านช่วยเถิดภิกษุทั้งสองวิงวอนพวกคุณต้องเชื่อผมนะ เชื่อแน่ครับท่านถ้าอย่างนั้นดีแล้วพระปนันกล่าวยิ้มอยู่ในหน้าผมจะตัดสินให้ยุติธรรมพวกคุณสองคนแบ่งผ้าสาด ก, กันคนละผืนส่วนผ้ากำพลมีอยู่ผืนเดียวให้ผมผู้ตัดสินว่าแล้วพระปนันก็ถือเอาผ้ากำพลไปภิกสุทั้งสองรูปยืนอ้าปากค้างไปตามกันแล้วพากันไปเฝ้าพระาศาสดากราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบ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 เมื่อยจึงเที่ยว อ, ออกเดินเล่นเราไม่มีเวลาพอจะตัดสินเรื่องของท่านโมอย่างนี้ละวก็รายไหนรายนั้นขี้โกงหลอกลวงสัตว์เอารัดเอาเปรียบตลบตะแลงปิ้นป้อนสารพัดอย่างนาสองตัวรู้ไม่ทันเล่เหลี่ยมของสุนัขจิ้งจอกจึงอ้อนวอนขอให้ช่วยตัดสินแบ่งปลาถ้าอย่างนั้นเจ้าต้องเชื่อเมื่อเราตัดสินอย่างใดต้องเป็นไปอย่างนั้นอุทธรณ์ไม่ได้ตกลงไหม ตกลงนาคสองตัวต่อพร้อมกันแลแล้วสุนัขจิ้งจอกก็จัดแบ่งท่อนหัวให้นาคตัวหนึ่งท่อนหางให้อีกตัวหนึ่งส่วนท่อนกลางมีเนื้อมากสุนัขจึงเอาไปเสเองในฐานะผู้ตัดสินบวงเล็บท่อนหางให้นาคน้ำตื้นท่อนหัวให้นาคน้ำลึกการเป็นความกันก็อย่างนี้แหละพระศ า, าสดานาเรื่องในอดีตมาตัดดังนี้แล้วจึงตัดต่อไปว่า แม้ในอดีตกาลพระอุปนันต์ก็ได้ทําให้เธอทั้งสองเดือดร้อนมาแล้วพระตถาคตเจ้าทรงติเตียนพระอุปนันต์เป็นอันมากแล้วตรัสอีกว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาผู้จะสอนผู้อื่นควรตั้งตนอยู่ในคุณอันสมควรเสียก่อนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าบัณฑิตพึงตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรเสียก่อนแล้วสั่งสอนคนอื่นภายหลังจะไม่เศร้ามองมีไตยยดังพรนานามาแล้วแต่ต้นนั่นแหล เมื่อจบพระธรรมเทศนาภิกษุสองรูปนั้นดำรงอยู่ในโสดาปติผลแม้ในสมัยพุทธกาลเองก็มีลักษณะอย่างนี้นดังนั้นในยุค ข, ของเราจะมีมากน้อยเท่าไหรก็ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันนะันั้นอันนี้นั่นเลยบอกว่าถ้าไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้ริมรถของพระธรรมจริงๆแล้วก็ไม่เห็นอานิสงส์ไง บางทีพูดธรรมะพูดได้สอนคนก็สอนได้แต่ว่าการจะทําด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ยากเละเกินคนพูดธรรมะได้ไพเราะเพราะพิงมีเยอะเนี่ยเขาถึงบอกว่าการศึกษาการเรียนการสอนเนี่ยมันทําไม่ยากในเรื่องก็เรียกว่าศึกษาในวาทศิลป์ในการพูดพูดให้วิจิตก็พูดเหมือน หลอกเอาจนได้นะตัดสินความเอ า, เอาเอาส่วนดีๆไปกินได้นี่เก่งขนาดนั้ น, น่อันนั้นมันก็ไม่เป็นธรรมนะเราก็ดังที่ท่านอธิบายไว้นี่แต่หลวงพ่อชาถึงว่าทาอย่างไรสอนอย่างนั้นพูดอย่างไรสอนอย่างนั้นจึงจะไม่เป็นบัณฑิตสกปกเหมือนพาสิตที่กล่าวมานี้เนี่ย นั่นเป็นลักษณะของผู้ที่เตือนตนอยู่เสมอหมวดนี้เป็นหมวดแห่งตนด้วยจะต้องดูตนเตือนตนสามตนเองฝึกได้ยากเพราะองค์ตรัสว่าอัตานันเจตถากริยายัตัญญะมนุษาสติสุทันโตวัตถะเมธะอัตตาหิกิรทุทธโม แปลว่าบุคคลสอนผู้อื่นอย่างไรควรทําตนอย่างนั้นฝึกตนดีแล้วจึงค่อยฝึกผู้อื่นเพราะตนเองก็ฝึกได้ยากพระพุทธภาสิทธินี้มีลักษณะคล้ายกับเรื่องที่สองแห่งวรรคนี้ต่างแต่เพียงว่าในเรื่องที่สองให้ตั้งตนอยู่ในคุณธรรมอันสมควรก่อนแล้วค่อยสอนผู้อื่นภายหลังส่วนในที่นี้ให้ทําอย่างที่สอนผู้อื่นให้ฝึกตนให้ได้ดีเสียก่อนแล้วค่อยฝึกผู้อื่นตนเองนั่นแหละฝึกได้ยาก พระพุทธเจ้าทรงเป็นตัวอย่างอันดีมากสำหรับเรื่องนี้ตัดอย่างใดทรงทาอย่างนั้นยถาวาทีตถาการีทรงทำอย่างใดตัดอย่างนั้นยะถาการีตถาวาทีทรงฝึกพระองค์อย่างดีแล้วจึงทรงฝึกผู้อื่นทันโตโสรภควาธรรมถายะธรรมมังเทเสติด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงประกอบพร้อมไปด้วยธรรมแห่งผู้กล้าเวสาละัชะกรณธรรมเพราะ ไม่ทรงมีช่องที่ใครจะทวงติงได้ทั้งในเรื่องศีลสมาธิและปัญญาทรงเป็นตัวอย่างอันดีแก่พุทธสาวกทุกหมู่เหล่าในสมัยปัจจุบันเรามักได้ยินเสียงบ่นเรื่องทุจริตและความอายุติธรรมในสังคมแต่คนที่ชอบปนชอบว่าคนอื่นบางคนพอตนมีช่องมีโอกาสเข้าบ้างก็ทำทุจริตเหมือนกันพอตนเป็นใหญ่ขึ้นมาก็ประกอบอยุติธรรมเหมือนกัน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 โดยปกติการสอนผู้อื่นนั้นง่ายกว่าการทำเองการสอนให้คนอื่นละกิเลสย่อมง่ายกว่าการละเองด้วยเหตุนี้เราจะเห็นว่านักสอนนักพูดนั้นมีมากแต่คนที่จะสามารถปฏิบัติตนได้อย่างที่สอนอย่างที่พูดมีน้อยสาวกทั้งหลายจึงมักอ้างาศาสดาอยู่นึ่งนิดว่าพระาศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นอย่างนี้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 ช่วยฝึกผู้อื่นด้วยอย่างที่พระบรมศาสดาเคยสรงกระธรรมมาอย่างไรก็ตามท่านว่าตนเองนั้นฝึกได้ยากตนเองนั้นดื้อและคอยให้อภัยตนเองอย่างไม่รู้สิ้นสุดให้อภัยในสิ่งที่ไม่ยอมให้อภัยผู้อื่นถ้าคนอื่นทำก็เห็นเป็นผิดมากแต่พอตอนเองทํำอย่างนั้นเข้าบ้างก็คอยหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองช่วยตัวเอง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 แปลว่าภิกษุโจรตนด้วยตนเองพิจารณาตนด้วยตนภิกษุผู้มีสติคุ้มครองตนได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขดังนี้รวมความว่าทรงสอนให้เป็นโจดจําเลยและผู้พิภากษาด้วยตนเองบุคคลผู้มีิริโอตตะย่อมมีความละอายที่จะให้ใครมาโจดและพิภากษาตนแต่จะเป็นอย่างนั้นได้นั้นก็ต้องปกครองตนได้ หลักความจริงมีอยู่ว่าคนปกครองตนเองไม่ได้ย่อมถูกปกครองคนปกครองตนเองได้จึงได้รับเกียรติให้ปกครองคนอื่นการฝึกตนเป็นกิจของบัณฑิตเป็นกิจที่พระศาสดาส่งสันเสริญถึงกับส่งยกย่องว่าประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์ทันโตเซโต้มนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์ด้วยกันผู้ฝึกตนแล้วประเสริฐที่สุดบัณฑิตย่อมฝึกฝนอัตานังธรรมยันติปันติตา การฝึกตนย่อมทําให้ผู้ฝึกดีขึ้นไปเปน็นขั้นขั้นจนถึงขั้นสุดท้ายคือฝึกตนให้พ้นจากความหวั่นไหวในโล ก, กธรรทอะไรเกิดขึ้นก็เพียงสักแต่ว่าเกิดไม่ให้ใจถูกครอบงำด้วยลาบยศสรรเสริญสุขหรือเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทาทุกบรรลุถึงความเป็นบัณฑิตที่แท้จริงเป็นมหาบุรุษมหาปราฏิเรื่องนี้พระาศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารบพระติสสะผู้ทําความเพียร มีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระติสสะผู้ทําความเพียรเรื่องมีว่าพระติสสะนั้นเรียนกรรมฐานในสํานักพระศาสดาแล้วพาภิกษุประมาณห้ารูปไปจําพรรษาในป่ากล่าวสอนภิกษุเหล่านั้นอยู่ว่าท่านทั้งหลายเรียนกรรมฐานในสํานักพระศาสดาผู้ยังทรงพระชนอยู่แล้วจงเป็นผู้ไม่ประมาทบําเพ็ญสมณะธรรมเถิดดังนี้แล้วตัวท่านเองไปนอน ภิกษุเหล่านั้นจงกลมในปฐมยามแล้วเข้าสู่ที่พักในปัชิมมยามพระติสะตื่นขึ้นจึงไปยังสำนักของภิกษุเหล่านั้นเตือนว่าพวกท่านมานอนกันอย่างนี้หรือจงลุกขึ้นไปทําสมนนธรรมเถิดว่าแล้วตัวท่านเองก็ไปนอนพวกภิกษุจงกลมในปชิมมยามแล้วเข้าไปสู่ที่พักในปชิมมยามพระเทระตื่นขึ้นตอนนั้นแล้วไปยังที่อยู่ของภิกษุทั้งหลายเตือนให้บําเพ็ญสมนนธรรมอีก ภิกษุเหล่านั้นออกจากที่อยู่แล้วจมกลมตลอดปัดชิมมยามส่วนพระติสักกลับไปนอนจนรุ่งเมื่อท่านทำอยู่อย่างนี้เนืองนิดภิกษุทั้งหลายก็ไม่อาจทำการสาทยายหรือทำสมณะธรรมใดๆได้ไม่อาจพักผ่อนได้ในการอันควรจิตก็ฟุ้งซ่านไม่สามารถให้ดิ่งลงในสมาธิภิกษุเหล่านั้นปรารบว่าอาจารย์ของพวกเรามีความเพียนเลิกเกินพวกเราจะคอยดูท่าน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 จึงกราบทูลเรื่องของพระติสสะผู้อาจารย์ให้ทรงทราบ พ, พระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุติสสะนั้นทำอันตรายแก่พวกเธอในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในอดีตการก็ได้ทำแล้วเหมือนกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลอ้อนวอนจึงทรงนำอาการลวะกุกกุดชาดกมาแสดงใจความว่าไก่ตัวนี้เติบโตขึ้นในสานักของผู้มใช่มารดาบิดา ไม่ได้อยู่ในสกุลของอาจารย์จึงไม่ได้รู้จักการที่ควรขันหรือไม่ควรขันพระศ า, าสดาตัดต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อจะสอนคนอื่นพึงฝึกฝนตนดีเสียก่อนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าบุคคลสอนผู้อื่นอย่างไรควรทำตนอย่างนั้นฝึกตนดีแล้วจึงค่อยฝึกผู้อื่นเพราะตนเองฝึกได้ยากมีนัยยะดังพรรณน า, นามาแล้วแต่ต้นจบพระธรมธรมเทศนาภิกษุ ห้าร้อยรูปได้บรรลุอรหัตผลเป็นเรื่องลำบากเลยเนี้ยสำคัญฉะนั้นการที่จะเป็นผู้นำเป็นครูเป็นอาจารย์ใครนี่มันต้องฝึกฝนอบรมลำบากนะทุกเรื่องทุกอย่าง